บทที่หนึ่งเพื่อนแท้หากไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นนี้ท่านพระครูก็ยังไม่ทราบซึ้งใจในเพื่อนแท้และเพื่อนตายซึ่งก็คือสติสัมปชัญญะเพราะในเวลานี้ท่านไม่มีใครไม่ว่าเพื่อนฝูง หรือพ่อแม่พี่น้องมีแต่สติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้ดีแล้วด้วยการเจริญวิปัสนากรรมฐานเพิ่งประหนักชัดในบัดนี้เองว่าคนอื่นไม่ใช่เพื่อนตายคนอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้มีแต่สติสัมปชัญญะเท่านั้นที่ท่านจะพึ่งอาศัยได้ในภาวะแห่งความตายท่านกลับมีสติทุกอย่างแม้ตาจะมองไม่เห็น หูไม่ได้ยินจมูกไม่รู้กลิน่นลิ้นไม่รู้รสกายไม่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและจิตไม่รับรู้อารมณ์ใดๆอายตนะภายในทั้งหกไม่ทำหน้าที่แต่เพราะมีสติสัมปชัญญะท่านจึงรู้สึกได้ที่ลิ้นปีซึ่งมีตำแหน่งอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างปลายจมูกกับสะดือ และที่ประหลาดมหัศจรรย์กว่านั้นก็คือท่านหายใจทางสะดือได้บัต ด, ดนสติคือตัวรู้ซึ่งมีที่ทำการอยู่ตรงลิ้นปีกก็นึกไปถึงแม่เห็นมโนภาพตัวท่านตอนอยู่ในท้องแม่กินอาหารและหายใจร่วมกับแม่โดยผ่านทางสายสะดือคันคันแก่จนอยู่ในท้องแม่ไม่ได้ก็ต้องคลอดออกมา สายสะดือถูกตัดทิ้งแต่ก็ได้ดื่มเลือดในอกของแม่เลี้ยงตัวจนเติบใหญ่ถ้าลอลึกถึงวันที่คลอดออกมาจากท้องมารดาพอลืมตาก็เห็นหน้าแม่เห็นหน้าพ่อแต่ตอนจะตายนี่สิกลับไม่เห็นใครที่ไหนเลยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้บังเกิดขึ้นกับท่านนั่นคือการรับรู้ทางรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสและธรรมารมมารวมกันอยู่ที่จุดเดียวคือที่ลิ้นปีซึ่งทำหน้าที่แทนอายตนะภายในทั้งหกท่านเห็นตัวเองนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นถนนห่างจากรถมาราวยี่สิบวาได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่มามุงดูได้กลิ่นเลือดสดสดข่าวครุ้งรู้สึกถึงรสเค็มของเลือด และเสมหะที่อัดแน่นอยู่ในช่องปากลงไปจนถึงลำคอรู้สึกถึงความแข็งและความร้อนของพื้นถนนที่ลาดด้วยยางมะตอยส่วนธรรมมาลมนั้นท่านรับรู้ถึงหลวงพ่อในป่าได้มาช่วยท่านเห็นความสาคัญของพองยุบหรือยังถ้าพุทโธตายแน่นอนเพราะในคอของเธอเต็มไปด้วยเลือดและเลษทีนี้ รู้แล้วใช่ไม่ว่าทำไมเราถึงไม่ให้เธอกำหนดพุทธโธตอนพบกันครั้งแรกที่ขอนแก่นหลวงพ่อดำเอ่ยถามถึงความหลังหลวงพ่อพูดราวกับว่าผมจะไม่ตายจะพองยุคหรือว่าจะพุทธโธผมก็ต้องตายอยู่ดีเพราะผมรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วท่านพูดกับหลวงพ่อในป่าโดยมีลิ้นปีเป็นสถานีรับ รู้สึกดีใจที่ครูบาอาจารย์มาดูแลก่อนที่ท่านจะล่วงลับดับชีพถึงจะมาช้ากว่าสติสัมปชัญญะก็ยังดีกว่าไม่มาเสียเลยเธออยากตายหรือเปล่าล่ะอาจารย์ถามจะอยากหรือไม่อยากผมก็ต้องตายอยู่ดีผมขอใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อ จะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาสิทธ์เอกตอบแต่ถ้ายังไม่อยากตายก็ลองอธิษฐานดูนะอธิษฐานขอต่ออายุกับพญาย ม, มาราชเรามาบอกเท่านี้แหละไปละอย่าเพิ่งไปสิครับหลวงพ่อผมยังไม่ได้ร่ำลาเลยรอให้ผมขออโหสิกรรมจากหลวงพ่อก่อนไม่มีเสียงตอบจากพระในป่า และท่านพระครูก็รู้ว่าท่านไปแล้วอาจารย์ของท่านพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นอาจารย์ไปแล้วท่านก็นอนคิดอยู่แต่ผู้เดียวคิดอยู่ที่ลิ้นปี่อาจารย์จะให้เราอธิษฐานทำไมต้องอธิษฐานในเมื่อเราก็ไม่ได้อยากตายแต่ก็ต้องมาตายเอาเถอะตายตา ย, ตายไปเสียก็ดีเหมือนกัน เพราะชีวิตเราอยู่ไปก็ไม่เคยมีเวลาเป็นของตัวเองเลยต้องช่วยคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาเอแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเราก็มีความสุขกับการที่ได้ช่วยคนอื่นหรือว่าจะอยู่ต่อไปเพื่อช่วยเขาเพราะเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วแต่คิดๆไปก็น่าน้อยใจเหมือนกันเรา เป็นพระสร้างแต่กรรมดีมาโดยตลอดจเจริญกุศลภาวนาสะสมหน่วยกิจเอาไว้มากมายแต่ต้องมาตายอย่างน่าสังเวช ท, ที่สุดแม้หูจะไม่ทำหน้าที่รับเสียงแต่ท่านก็ได้ยินแววๆที่คนเขาคุยกันโอ้โหลองได้กระเด็นออกมาไกลขนาดนี้กูว่าไม่รอดแน่ดูสิ กระจกหน้ารถบาดหัวเถลกไปข้างหลังคอก็หักพับลงมาถึงนมผ่ารอดก็ปฏิหารละวะเป็นเสียงของเด็กหน่มและท่านก็ต้องประหลาดใจยิ่งกว่านั้นเมื่อมีเสียงดังออกมาจากกร่างของท่านว่าโยมช่วยอุ้มหน่อยโยมช่วยอุ้มหน่อยเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากปาก เพราะในปากมีแต่เลือดกับเสมะ ห, หรือว่าจะดังออกมาจากลิ้นปี่เสียงพ่อหนุ่มคนหนึ่งบอกพักพวกว่าช่วยอุ้มท่านส่งโรงพยาบาลหน่อยดีไหมอีกห้าคนท้วงว่าไปอุ้มทำไมหลวงพ่อตายแล้วยังพูดได้อีกหรอือประโยคหลังเขาต่อว่าท่านด้วยเสียงดุดุ ช่วยอุ้มหน่อยช่วยอุ้มหน่อยเสียงดังออกมาจากร่างท่านอีกและคราวนี้ท่านเห็นมือข้างซ้ายของท่านกวากเรียกคนให้มาช่วยช่วยท่านหน่อยเถอะคราวนี้เป็นเสียงผู้หญิงอย่านะท่านตายแล้วเสียงผู้ชายห้ามตายแล้วทำไมพูดได้ เสียงผู้หญิงแยง้งท่านไม่ได้พูดนั่นผีพูดตั้งหากท่านถูกผีเข้าสิงเองรู้ได้ยังไงเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งถามรู้สิเองไม่เห็นหรือถ้าท่านยังไม่ตายท่านต้องกวากมือมาทางพวกเราแต่นี่พวกเรายืนอยู่ทางขวาท่านผ่าไปกวักมือเรียกทางซ้าย นุ่มอีกคนอธิบายเออถ้าจะจริงของเองงั้นก็อย่าอุ้มอย่าไปแต่ต้องตัวท่านเดี๋ยวผีจะเข้าสิงแล้วตรงนี้ตายมาสี่สิบศพชุนะลรถชนกันแหลกเลยหลวงพ่อนอนอาบแดดไปก่อนนะรอให้ปอเต็กตึ้งมาเก็บศพว่าแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะ กลัวผีที่สิงร่างท่านอยู่จะลุกขึ้นมาอาละวาดท่านพระครูจึงถูกทิ้งให้นอนเดียวดายอยู่กลางแดดจ้าครู่ให ญ, ใหญ่ตำรวจทางหลวงก็มาถึงเพราะได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันคนขับรถทัวร์หนีไปตามระเบียบทิ้งผู้โดยสารให้หารถต่อกันเอง บรรดาผู้โดยสารก็พากันขนข้าวของของตนลงจากรถและไปตั้งหลักรอคันต่อไปอยากจะมามุงดูคนเจ็บหากก็โกรว่าจะต้องไปเป็นพยานที่สถานีตำรวจทำให้กลับถึงบ้านล่าช้าไปเปล่าเปล่ารถสองแถวเก่าๆที่ทางวัดกวิสรารามส่งมารับท่านพระคกรถูกรถทัวร์ชนพังยับเยิน กระจกหน้ารถแตกและบาทท่านพระครูแต่ผู้เดียวส่วนคนขับถูกอัดกับพวงมาลายัยกระดูกซี่โครงหักสลบสลายคาพวงมาลายัยอุบาสกใส่ชุดขาวที่นั่งมาข้างหลังก็กระเด็นออกไปจากรถมองเผินเหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์ลอยมาตกที่พื้นถนนไม่ห่างจากตัวรถเท่าใดนัก ตำรวจสองนายเดินมายัางร่างของท่านพระครูเพื่อจะทําการพลิกศพเสียงร้องดังออกมาว่าโยมช่วยอุ้มหน่อยโยมช่วยอุ้มหน่อยตำรวจนายหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าอ้าวท่านยังไม่ตายนี่นาะงั้นเราช่วยกันอุ้มท่านขึ้นรถเถอะนั่นสิท่านยังกวักมืออยู่ได้นี่นาะ ถึงจะกวักไม่ตรงกับทิศทางที่เรายืนอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านคงมองไม่เห็นมั้งดูสิตาหลับสนิทเลยยังพูดได้แสดงว่ายังไม่ตายนำท่านส่งโรงพยาบาลกันเถอะและตตำรวจสองนายจึงช่วยกันอุ้มร่างของท่านไปยังรถของเขาท่านพระครูใช้มือข้างที่ยังดีอยู่จับศาาีรษะไว้ รถชนแขนข้างซ้ายของท่านแต่กลับไปชาที่แขนข้างขวาชาจนขยับขยื้อนไม่ได้ขณะที่แขนข้างซ้ายยังใช้การได้ดีอยู่นำท่านเข้ามานั่งในรถแล้วเขาก็สตาร์ทเครื่องปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดลองสตาร์ทดูใหม่อีกหลายครั้งเครื่องก็ไม่ยอมติดอยู่ดีอ้าวทำไมไม่ติดละ่ะเกิดอะไรขึ้น ตำรวจนายหนึ่งพูดขึ้นเมื่อวานก็เอาไปเช็คพี่อูแล้วไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเกิดจะมาเสียเอาตอนที่กำลังฉุกลระหุกนี่แหละเขาต่อว่ารถคู่ชีพครั้นมองไปข้างหน้าเห็นรถขนอิดจอดอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือจึงปรึกษากับเพื่อนว่าให้รถขันหน้าไปส่งดีไหมคงไม่มีทางเลือกแล้วละ่ะ ต้องรีบพาท่านส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนสองศพนั่นค่อยว่ากันข้หมายถึงคนขับและอุบาสกคนนั้นเพราะเข้าใจว่าคนทั้งสองตายแล้วรถขนอิดเป็นรถสองแถวเก่ากว่ารถคันที่ส่งมารับท่านพระครู บรรทุกอิดมาเต็มรถคนขับรับจ้างขนอิฐไปส่งยังร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งอยู่ในจังหวัดรถเกิดเสียหลักตั้งสามชั่วโมงเพิ่งจะซ่อมเสร็จตอนเที่ยงเสร็จเศษคนขับรู้สึกหิวข้าวจนตาลายกำลังจะไปก็ถูกตำรวจสองนายเรียกไว้ช่วยพาพระไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเถอะรถผมไม่รู้เป็นอะไรมันสตาร์ทไม่ติด รถผมก็เสียมาตั้งแต่สามโมงเช้าเพิ่งจะสตาร์ตติดพอดีงั้นก็ไปพาท่านมาขึ้นรถผมก็แล้วกันครับเขาบอกใจคิดว่ามาถึงโรงพยาบาลแล้วคงจะหาซื้อข้าวกินที่นั่นเลยตำรวจทางหลวงสองนายจึงช่วยกันอุ้มท่านพระครูไปยังรถขนอิดให้ท่านนั่งหน้าคู่กับคนขับท่านพระครู ยังคงใช้มือซ้ายจับศีรษะไว้อย่างนั้นรถขนอิดแล่นออกไปแล้วตำรวจสองนายจึงเดินไปยังรถที่ถูกชนจัดการนำร่างของคนขับออกมาครั้นจับชีพจรจึงรู้ว่ายังไม่ตายพาส่งโรงพยาบาลดีกว่าลองไปดูอีกคนสิเผื่อจะยังไม่ตายพ้นปรากฏออกมาว่าทั้งสองเพียงสลบไป จึงช่วยกันอุ้มมาใส่รถแล้วลองสตาร์ดูก็ปรากฏว่ารถติดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจสองคนไม่รู้ดอกว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวเนื่องมากับกรรมของท่านพระครูเองเจ้ากรรมในเวรของท่านต้องการให้ท่านได้มีโอกาสชดใช้กรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นต่างหากรถขนอิดแล่นปูเลงีงปเลงไปตามถนน ความที่เป็นรถเก่าและฝาจุกหม้อน้ำหายไปนานแล้วเจ้าของจึงใช้ผ้าคีวริ้วมาอุดแทนเมื่อรถแล่นไปได้หน่อยหนึ่งเครื่องซึ่งเก่ามากก็เริ่มร้อนหม้อน้ำกำลังเดือดครั้นพอถึงหน้าวิธีไลยเกษตรกรรมก็มีเสียงดังขึ้นว่าสมน้ำหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำสิ้นเสียง น้ำในหม้อน้ำก็พุ่งขึ้นมาล่าศีรษะและเนื้อตัวของท่านคนขับคิดว่าหากหยุดรถอาจจะทำให้ท่านถึงแก่มรณาภาพจึงขับต่อไปโดยไม่สนใจว่าน้ำร้อนจากหม้อน้ำจะพุ่งมาลวกภิกษุผู้โชคร้ายกลายเป็นกรรมซ้อนกรรมจากการกระทำของท่านเองขณะถูกน้ำเดือดลวกศีรษะและใบหน้า ภาพหัวเต่าสามหัวก็ปรากฏขึ้นในมโนนึกของท่านสมพานวัดป่ามะม่วงสมน้ำหน้าอยากต้มเราเสียงนั้นทำให้ท่านนึกถึงวีรกรรมที่สร้างไว้ตอนเรียนอยู่มัธยมสองนั่นคือรับจ้างต้มเต่าได้ค่าจ้างหนึ่งบาทบัดรดนความสงสัยก็ก่อตัวขึ้นท่านรับจ้างต้มเต่าเจ็ดตัว ทำไมหัวเต่าจึงมาปรากฏให้เพียงสามหัวแล้วเต่าที่ท่านต้มก็เป็นเ ต, าต่าตัวเล็กๆแต่ทำไมเจ้าสามตัวที่ปรากฏจึงใหญ่นะักเหมือนมันอ่านใจท่านออกจึงบอกว่าไอ้สี่ตัวน่ะมันตายไปยังไม่ทันโตแล้วท่านก็ใช้นี่มันไปแล้วเมื่อวันที่สิบสี่ตุลาคม2 5ง4สิบ แต่สำหรับเราสามตัวเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปจนโตใหญ่ด้วยความยากลาบากในครั้งนั้นเราจึงไม่ถือว่าท่านกับเราหมดหนี้กันเพราะคราวนั้นมันแค่เงินต้นแต่คราวนี้เป็นดอกเบีย้ยท่านอย่าลืมนะกรรมก็ต้องมีดอกเบีย้ยแล้วการใช้หนี้กรรมก็ไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวหมด เหมือนท่านยืมเงินเข้ามาแล้วผ่อนใช้คืนนั่นแหละเมื่อรถขนอิดแล่นมาถึงโรงพยาบาลน้ำในหม้อน้ำก็พุ่งออกมาหมดหม้อพอดีช่วยล้างหน้าล้างเลือดให้ท่านเสร็จสับด้วยน้ำเดือดและการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวบุรุษพยาบาลนำรถเข็นมารับผู้ป่วยช่วยกันอุ้มท่านมานอนในรถเข็น นายแพทย์สมมิ่งส่งหมอหนุ่มๆ ม, มาตรวจดูอาการแล้วสั่งให้เข็นรถเข้าไปในห้องไอซูสักพักหนึ่งตัวเขาก็ตามเข้าไปสั่งให้เอกซเรย์และเย็บแผลที่ศีรษะเสร็จแล้วก็ส่งตัวกลับวัดเดี๋ยวผมจะให้คนไปว่าจ้างปีพาดมอนมาบรรเลงในงานสวดอภิธรรมศพแล้วเขาก็อธิษฐานให้หมอหนุ่มฟังว่า คอของท่านขาดแล้วต่อไม่ได้ต้องมอรณ ะ, ะภาพแน่นอนถ้อยคำที่หมอพูดกันท่านพระครูตั้งสติกำหนดเสียงหนอที่ลิ้นปีจึงรู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันบ้างแต่กระนั้นก็ได้ยินแว่วๆไม่ชัดเจนนะักได้ยินที่ลิ้นปีไม่ใช่ที่หูหลังจากเอ็กสเร และหมอหนุ่มเย็บแผลเสร็จแล้วบุรุษพยาบาลสองคนก็สสยรถเข็นออกจากห้องไอซความรีบทำให้ล้อรถเข็นตกลงไปในล่องประตูเหล็กคอท่านติดกันเสียงดังกึบทันทีที่คอติดท่านก็รู้สึกตัวปวดที่ก้นอย่างรุนแรงความรู้สึกกลับเข้าที่ อายตนะภายในทั้งหกําหน้าที่ได้อย่างปกติเมื่อหายใจทางสะดือไม่ได้ก็จะหายใจทางจมูกแต่ในจมูกก็มีเสมหะจึงทำให้อึดหัดหายใจไม่ออกท่านก็ดิ้นโครมโคลมพวกเขาจึงเอาเครื่องมาดูดเสมหะออกจึงสามารถหายใจได้คลั้นอายตนะภายในทั้งหกําหน้าที่ได้แล้ว ลิ้นปีก็หยุดทำงานตอนรับรู้ที่ลิ้นปีท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ประการใดแต่พอลิ้นปีหยุดทำงานท่านกลับรู้สึกปวดที่ก้นเพราะเส้นประสาทคอกับก้นติดกันท่านไม่ปวดคอแต่กลับไปปวดที่ก้นนึกถึงพวกทหารญี่ปุ่นที่ไม่ยอมให้ใครตีก้นคงกลัวจะไปทําให้เป็นอมพาสนั่นเอง เวลาคนหกล้มก้นกระแทกพื้นอย่างแรงทำให้กลายเป็นอมพลึกอมาพาดก็คงมาจากสาเหตุเดียวกันนี้คนโบราณเขาตึงห้ามตีก้นเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กเลบางคนไม่เข้าใจเห็นเด็กหน้าตาน่ารักเกิดมันเคี้ยวก็เลยตีก้นเสียงดังเพี้ยไปถูกเส้นประสาทเข้าเด็กก็เลยเลี้ยงไม่โตไปเลย ปวดปวดเหลือเกินท่านเปล่งเสียงออกมาเป็นครั้งแรกอา้าวหลวงพ่อฟื้นแล้วเห็นไหมเพราะฝีมือผมสองคนเชียวที่ทำให้หลวงพ่อไม่ตายถ้าผมไม่ทำรถตกล่องหลวงพ่อจะฟื้นหรือ บุรุษพยาบาลพูดเอาบุญเอาคุณนั่นสิสงสัยหลวงพ่อจะต้องให้รางวัลเราสองคนแล้วละ่ะได้ข่าวว่าหลวงพ่อมีพระสมเด็จไม่ใช่หรือขอให้ผมคนละองค์นะครับเนึกว่าเป็นค่าจ้างทําให้หลวงพ่อฟื้นตายแล้วฟื้นนี่ท่าทางจะดังไปทั่วโลกนะครับบุรุษพยาบาลอีกคนหนึ่งพูดใจจ่อย ตกลงอาตมาจะให้แต่จะทำยังไงจะให้หายปวดตูดเอ้ยหายปวดกลล้นล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ใช่หมอเอาอย่างนี้นะครับผมจะพาหลวงพ่อกลับไปที่ห้องไอซูแล้วก็เรียนให้หมอสมมิ่งทราบหมอเขาคงช่วยหลวงพ่อได้ว่าแล้วก็ใส่รถเข็นกลับไปยังห้องไอซ ระหว่างที่รอในแพทย์สมมิ่งท่านพระครูต้องทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจนต้องยกมือข้างที่ดีขึ้นประนมอธิษฐานว่าเจ้าประคุณเอย๋ยเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายัางใช้นีิมนุษย์ไม่หมดขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อใช้นีิมนุษย์ให้หมดไป ข้าพเจ้าจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเพราะโลกมนุษย์มีแต่โรคโรคขี้เกียจโรคขี้โกงโรคอิดชาโรคฤิษยาข้าพเจ้าจึงไม่ขอกลับมาแต่ถ้าข้าพเจ้าใช้นี่มนุษย์หมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปเลยอย่าให้ต้องมาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนี้เทวทูตทั้งหลาย ท้าเวสวร์ถ้าท่านเห็นดีด้วยกับคำอธิษฐานนี้ขอให้ท่านดำเนินการทันทีชะรอยจิตที่อธิษฐานนั้นจะมีพลังแรงมากโย ม, มาบาลสองตนจึงปรากฏต่อหน้าและตัดพ้อต่อว่าพระคุณเจ้าทำให้ผมลำบากใจเสียแล้วเดีายวว่าแต่จะช่วยพระคุณเจ้าเลยขนาดแม่ยายของผม ผมยังช่วยไม่ได้แม่ยายของผมแกเที่ยวคุยโวโออวดว่าแกไม่กลัวนรกเพราะลูกเคยเป็นโยมาบาลแต่พอตายก็ตกนรกทันทีผมพาแกไปหาพยายมราชให้ช่วยท่านก็บอกว่าช่วยไม่ได้ใครทำกรรมนั้นก็ต้องรับแต่สำหรับพระคุณเจ้าผมจะลองไปกราบทูลท่านพยายมราชดู ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เขาหายไปประเดี๋ยวหนึ่งท่านพระครูกับโย ม, มทูตอีกตนหนึ่งกําลังรอคำตอบแล้วเขาจึงมาบอกว่าท่านพญาย ม, มราชเห็นด้วยกับคำอธิษฐานของพระคุณเจ้าขอรับเห็นด้วยว่าอย่างไรตกลงท่านจะให้อยู่เพื่อใช้หนี้มนุษย์ให้หมดหรือว่าจะให้อัตมาไปอย่างไม่ต้องทุกทรมาน ท่านถามไม่ทราบครับคือคำตอบไม่ทราบและอาตมาจะรู้ได้อย่างไรล่ะช่วยไปถามให้ใหม่ได้ไหมได้ครับแต่ผมกลัวจะถูกท่านตาหนิติเตียนว่าทำงานไม่รอบครอบเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะให้เพื่อนไปถามแทนท่านช่วยไปถามแทนผมหน่อยนะเขาวานเพื่อนโยมาบาลด้วยกัน ท่านก็อย่างนี้ทุกทีทําอะไรไม่ค่อยรอบคอบแล้วก็ต้องมาเดือดร้อนผมเขาต่อว่ากระนั้นก็ยอมไปแต่โดยดีสักครู่ก็มารายงานท่านพระครูว่าตกลงท่านเห็นด้วยที่จะให้พระคุณเจ้ามีอายุยืนยาวต่อไปเพื่อใช้นีิมนุษย์ให้หมดฉะนั้นท่านจะต้องทนปวดก้นต่อไปอีก คำตอบของโย ม, มาบาลทำให้ท่านพระโก ร, รู้สึกปวดที่ก้นมากขึ้นอีกสักร้อยเท่าปวดจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนั้นเทียว